بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل b b ah i n وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا م ح م د و ع ل ى ل ه وصحبه أجمعين رضيت بالله رب ا وبن i س ل ا م دينا و ب محمد رسوله Allahumma ف ِ د ْ د ي ن و ع ل م ه تأوين a l l a م َ ن ن َ ن ا س َ ل َ ك ع ِ ي ن َ ن ف ِ و ر ز ق ط ي ي ب و ع م ل م ت ق ب ل ا يا ربَّ ع ْ ل م ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ สันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮสุบฮานาหูอตาและประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนอันกุรอานทุกๆุกท่านวันนี้นะครับเราขึ้นสุร้อใหม่สุร้ออัลอันอามนะสุร้ออัลอันอาม นะเป็นสุรลำดับที่6ในประมาหาคัเภียนกุรานอยู่ในยุสที่7นะครับแล้วก็มี1 6อยอายะนะเยอะกว่าอัลมาอีดาที่เราอ่าน อันมมอิดะมีมีร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยหกสิบกว่านะนะครับแล้วก็เป็นซูรท์ที่ถูกประทานลงมาในช่วงที่นบียังไม่ได้อบพยพจึงว่าเป็นซูร์ที่ยาวมากนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันในความ ตรงนี้เนี่ยมีมีรายงานเหมือนกันนะว่าสุระอนนี้ถูกลงประทานลงมารวดเดียวเลยนะครับในมักกะแล้วก็มีมาเลก้าถึงเจ็ดหมื่นท่านสรรเสริญกล่าวตัสเบียระหว่างที่มีการประทานวาฮีในสุระอนอันอันอามลงมาอันนี้อยู่ในบันทึกของอัตตบบรณีนะครับอ่าหมายถึงช่วงที่ประทานนะไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วได้มาเลก้าไม่ใช่นะ หมายถึงตอนที่อ um ัลลอ์ได uh, ้ประทานสุร้อนนี้ลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านที่ฟัตหฮาก่อนอ้าวุบิลลาฮิมินัลชาอิตนุอัราจิมบิสมิลลาฮิร r a h m a n الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم م ا ل ك يوم الدين อียาคัน عبد ุวอียาคันสต اعئ อิหดีนาศิรัต الم ุสต ą ق ي م ศิรัตัลลาฎีนาอันงามตล عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين อามิอ่ายาวหกฮารอกะนะไม่ใช่สิบนะอย่ายาวมากแค่หกฮารอกะนะครับอ่าพอดีพอดีนะ เอออะเดี๋ยวเราเริ่มสุร้ออันอันอามกี่เจอแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาใช่ครับเริ่มต้นสุรอก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีคอลกคอสมาวาติวันอัดวะจาละซลูมาติวันนูรอาอูดุบิลลาฮิมินัลชัยตานิรรจิม บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อ่าพอขึ้นต้นสุรนะครับจะมีบิสมิลลาห์นะเห็นไหมมีมีกับิสมิลลาห์ในต้นสุรนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิฮะลักัสส์มาวาติวะลอด الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ و َ ا ن ل ن ُّ و ر َ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ อ่าตัวไอนะยะตัวไอยะดีลูลแล้วก็ซุ่มอย่าลืมอย่าลืมหน่วงเสียงซุ่มซุมเเห็นัหมซุมมลเลีอรอบหนึ่งซุมเมลเลวีนกฟรูบรบบิมยาดีลู هوالذي خلقكم من طين ثم قضى أجال ดูดีๆนะซุมอ่าไม่ใช่ซุ ม, มหัมหวหัวลแลดีคอแล้วก็กลุมมีมตายพบมีมมีมตายพบมีมกุมหนงเสียงด้วยคอแล้วก็กลุมเมลเมลนูนตายพบต่อเมลปีเนื้ น, น, กก น, นูนสุ ก, กูอ่าไม่ใช่นูนสุกูนูนตันวีน เจอกับตัวแซ ต, ตีเน่ซุมซาตมีมีมิช ด, ดาวาจิบุนกุล น, นะซุมมากโด อ, อันนี้อ่านยาวนะแล้วก็อาญาราอ่านนนตองกุมตองมินนินแล้วก็ซุมแล้วก็กโอดอนะครับอีกรอบหนึ่ง والذي خلقكم من طين ثم قضى أجالا من طين ثم قضى أجالا م, م َّ ن ่ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ ت ต م ْ ت َ ر ُ و ن َ อ่ามูซัมมันไม่หน่วงนะมูซัมมันไอ้อีรอบหนึ่งวะเจลุมมูซัมมันไอ้เดหุสมมาตุมตามตาลูนเดหุสม ว َهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ยาเลมุิรรัมวะจรักมวะยาเลมุแมตซิบุนยาเลมุอ่าอีรอบนึงนะ ยาลมูซ <Mm ิรรกุมวาักรกุมวายาเลมูมตตซิบุมาดูความหมายนะครับ สุรอ้อ อ, อ, อันอันอามอันอนามมีความหมายว่าอะไรนะครับอันอามมีความหมายว่าปัสุสัตนะอ่าบาฮีมาตุนอันอามอันอามแปลว่าปัสุสัตว์เดี๋ยวจะมีการเล่าถึงปัสุสัตวในสุรอ้อนนี้แต่อย่างที่นําเรียนว่า ในสุรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องหลักอากีดาการเป็นพระเจ้าของลอสุบฮาหนาหัวตาลาการสร้างของพระองค์นะในช่วงต้นของสุราอายะที่หนึ่งเนี่ยอัลฮัมด ill ุลิละฮิลลดีการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอ Al ัลลอฮ์อัลลดีผู้ซึ่ง เขาแหละก็สัมาวาติวัลอรัรบผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าฟ้านี่มีเจ็ดชั้นนะแต่ละชั้นนี่ห่างไกลมหาศาลเดินทางกันเป็นร้อยร้อยปีก็ไม่ถึงนี่คือความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่อัลลอฮ์สร้างฟ้ามีเจ็ดชั้นนะี่จึงใช้คําว่าบรรดาชั้นฟ้านะครับและ ก, ก็ในชั้นฟ้าสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาเนี่ยให้ อยู่ในโลกของเราเนี่ยก็คือเป็นชั้นฟ้าที่คอยปกป้องดูแลสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้ามาสู่โลกในจักรวาลของเราเนี่ยมันจะมีพวกอุกาบาทดาวเคราะห์ อ, อะไรที่มันผมก็ไม่รู้นะมันรออยู่เนี่ยข่าวใดาที่มันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยจะถูกขจัดด้วยกับชั้นบรรยากาศมันก็จะกลายเป็นดาวตกที่เราเห็นน่ยจนกระทั่งมันหายไป เียบเสมือนเวลาเขายิงจรวจกันเนี่ยพี่น้องก็จะมีตัวกัน้นเวลาอจรวจจะไปถึงปับ๊บมันโดนส ก, กัดแล้วชั้นบรรยากาศของโลกของเราก็เหมือนกันอัลลอฮฺได้วางระบบที่จะไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยตกมาสู่โลกแล้วก็มาทําลายโลกแต่อาจจะมีตกมาบ้างมีหลุมบ้างมีอะไรบ้างก็ให้ได้เห็นแต่ส่วนใหญ่แล้วได้ดรับการคุ้มครองดูแลจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าโดยที่ไม่มีเสานะครับนะ แล้วก็ยกมันขึ้นไปวัลอาบแล้วก็แผ่นดินนะเอาราสร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินว่าจาและดุลู ม, มลามมติวันนูรวาริกมุสลามะรับมุสลามิกาตุนะตรงตรงไซเนน้อยรถติดมากเนี่ยที่ผมมาเนี่ยติดยาวทั้งซอยเลยกำลังทำสนนอยู่นะ เมื่ออัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินแล้วก็ได้ทรงให้มีความมืดและความสว่างซูลูมัทอันนี้ก็ความมืดแบบที่เราเห็นน่ยมืดตอนไหนอ่ะกลางคืนอัลลอฮ์ให้มีกลางวันและก็มีกลางคืนแต่อัลลอฮ์เริ่มกลางคืนก่อนเพราะว่าเวลาเรานับวันเนี่ยเรานับกลางวันหรือกลางคืนก่อนนับกลางคืนก่อนวันเนี่ยมันจะเข้ากลางคืนก่อนแล้วค่อยเป็นกลางวันอยางคืนวันศุกร์ก็คือค่ำวันพรหัส พระฤหัสค่าลงก็เป็นคืนวันศุกร์แสดงว่าวันที่ดวงอาทิตย์ตกวันศุกร์ก็เข้าสู่คืนวันเสาร์เล้วก็คืนมาก่อนกังวันแต่ตรงเนี้ยมันมีนักตรบซีบอกว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าซูลูมาตซึ่งเป็นเป็นบหูพจน์คือความมืดที่มากมายที่มันมาปกคลุมวันนู้ดแสงสว่างมีอันเดียวแสงสว่างนี่มีอันเดียวก็คืออัลลอฮ์ให้มีดวงอาทิตย์ที่จะให้ แสงสว่างแสงสว่างก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นหลักเลยตรงอื่นไม่มีแล้วที่เป็นแสงสว่างได้นะมาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวแต่ความมืดเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่มันเป็นความมืดเช่นมีบางอย่างมาบดบางดวงอาทิตย์ก็มืดได้เช่นตอนจันทสุริยุปราคาก็มืดดวงอาทิตย์มีไหมมีแต่เงามาบดบางไปไงมืดนะ ซุมมัลเลดีนะกะเฟอรูบีรบบีหิมอียาอดีลูนอัลลอฮฺปิดท้ายอียาด้วยกับบอกว่าแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นก็ยังเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเท่าเทียมกับพระผู้บริบาลของเขายังคิดว่ามีสิ่งอื่นที่มีอำนาจมากกว่าอัลลอฮฺหรือเอาไปเทียบเคียงกับอัลลอฮฺในบนโลกนี้มีใครอ้างว่าสร้างโลกนี้อ่าสร้างแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าบ้างมีใครไหมที่อ้างว่าสร้าง ไม่มีนะไม่มีมีอัลลอ์พระองค์เดียวที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างที่เหลือนี่ไม่มีแต่ถ้ามีกระปรอมทั้งนั้นแหลนะนะเอาต่อมาอายันนี้ก็เป็นการสรรเส ร, ริญพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสรรเส ร, ริญตัวของพระองค์เองจีนอัรมานี้หน่อยจ้ ะ, อ, ะอันนี้ที่นั่งว i p พนะส่วนเรานี่นะพี่น้องนะ ถ้าเราเป็นบุคคลที่สรรเสริญตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่น่ารักอันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์นะบางคุณลักษณะมีเฉพาะอัลลอฮ์มีที่มนุษย์และเสียเช่นอัลมุตะกับบิดเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์แต่มีที่มนุษย์ไม่ได้พีมนุษย์ปั๊บกลายเป็นยโสโอหังเลยแต่พระองค์ทรงมีนามนี้เอามาเอามาเป็นส่วนมนุษย์ของไม่ได้เหมือนกา ร, การสรรเสริญทำมนุษย์จะสรรเสริญตัวเองเนี่ย ไม่ดูแลไม่นา่าไม่น่ารักเพราะาอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับการโอ้อวดนะแต่การที่อัลลอฮ์สรรเสริญตัวของพระองค์เองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะแน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีพลังอํานาจเทียบเคียงกับลอ Allah สุบะฮานะฮูวาตาลาได้แต่เราเนี่ยสมมติเราบอกว่าฉันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วฉันเนี่ยรู้อลัลเลมที่สุดแล้วยุ่งมหมยุ่งดิเพราะมันมีคนอลัลเลมกว่าเราตั้งเยอะแยะแล้วนบีมูซ่าเนี่ย ก็เคยเปล่งวาจานี้ออกไปว่าทําไมมัมาถามฉันละ่ะในโลกนี้ยฉันรู้เยอะที่สุดแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่หรอกมีอีกหนึ่งนบีที่รู้เยอะกว่าเจ้าไปตามหาก็คือนบีคีเดศก็เป็นที่มาคิดว่านาบีมูซานี่คิดว่าเยอะรู้เยอะสุดแล้วที่ไหนได้มีนบีขีเดศที่มีความรู้เยอะกว่ามนุษยความรู้เนี่ยไม่ได้มาจากเรามาจากที่อัลลอฮ์นั้นประทานให้นั้นมนุษย์เราจึงสังเสริญตัวเองนะมันดูน่าเกลียดเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ามีคนอาจจะมีคนที่เหนือกว่าเราอีกนะครับ แล้วก็ความรู้เราก็มีด้วยกับการอนุมัติของลอถูกไหมเราไม่ได้รู้ตัวเองนะไม่ได้รู้ด้วยกับตัวของเราเองรู้ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติและก็การไปขวนขวายนะครับไปศึกษาเล่าเรียนนะนั้นมนุษย์เราต้องมีลักษณะของการตวาดุว้วะแปลว่าถ่อมตนนะครับถ้ามนุษย์ไม่ถ่อมตนดูไม่น่ารักนะอ้าต่อมาหัวลรดีอัลลอฮ์ Allah บอกนะอายะที่สองบอก พ ร, พระองค์หัวแลดีอัแลแรดีผู้ซึ่งคอละก่อกุ้มอัลลอฮ์เนี่ยได้บังเกิดได้สร้างโพ้ท่านทั้งหลายมาเนี่ยมินปีนปีนตรงนี้แปลว่าดินนะฮะอ่าปีนตรงนี้แปลว่าดินอย่าไปแปลภาษาไทยนะอันนี้ภาษา阿拉伯ภาษา阿拉伯แปลว่าดินอัลลอฮ์บังเกิดพระเจ้ามาจากดินซึ่งตรงนี้หมายถึงนบี อาดามอาไลฮิสลามแต่โซกเราเนี่มันจะมาจากดินแล้วนะมาจากย่อมาจากมะมาจากท้องแม่ของเราแต่คนแรกเนี่ยบรรพุรุษเราเนี่ยมาจากดินไม่ใช่มาจากลิงใครที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงคนคนนั้นเสียอากีด้าปฏิเสธกุรอานเป็นกุฟอดถ้าไปเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าเป็นมุสลิมต้องเชื่อว่ามนุษย์นั้นมาจากดินอัลลอฮ์สร้างมาจากดินก็คือนบีอาดามอาไลฮิสลาม แล้วก็ได้ทรงกำหนดเวลาแห่งความตายเอาไว้ซุ ม, มาักโดอจจาจลาอัลลอฮ์กำหนดเวลาตายของพวกเรามาหรือยังกำหนดมาแล้วนะแค่พวกเราเนี่ยไม่รู้กำหนดมาตั้งแต่ตอนเป่าวิญญาณเลยพอเป่าวิญญาณปั๊บหนึ่งในนั้นคือความตายอาจนันกำหนดมาแล้วจ๋าว่าไงจ๊ะอ่า ตั้งใจฟังนะว่าจารุมมุส ม, มันอินเดและกำหนดให้ถูกระบุไว้อย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์อพี่น้องครับอันนี้ต้องอ่านตับซีดนะแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ได้กำหนดเวลาแห่งความตายไว้และกำหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์ความหมายตรงนี้ อันแรกเนี่ยมุจาฮิตบอกว่ากําหนดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือความตายนั่นแหละเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยกี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงเอาล็อกําหนดมาแล้วนะก็จะมีเวลาตายเสร็จก็จะบอกว่ามีอายุมาทั้งหมดเท่าไหรเท่าไร่เท่าไ ร, าไรและการกําหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นหมายความว่าอายุไขของมนุษย์ ไปจนกระทั่งถึงเวลาตายเสมือนว่าข้อความนี้ได้ถูกนํามาจากดํารัสของลอนะระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็อายุไขนะครับอายุไขนะที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้แล้วก็รวมถึงอายุของโลกนี้ด้วยโลกนี้ก็จะมีอายุที่จะถูกถึงวันกียาม์มากก็คือถูกดับสลายไปแล้วก็รวมถึงอายันทั้งหมดนะ ที่มันต้องผุสลายเสื่อมโทรมสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยที่เจอกับจุดจบของมันเนี่ยถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วอ่าเราปลูกหญ้าวันดีคืนดีหญ้าสวยอยู่ดีเลยพอผ่านไปไม่กี่วันป๊อปไปไงน้ําตาลหมดเลยแห้งหมดหญ้าตายหมดก็ถึงอายันของมันอย่าไปซีเรียสมากนะถึงอายันของมันแล้วมันก็หมดอายุไขของมันได้แค่นี้ขอเหมือนกันชายๆอยู่พังก็ถึงอายันมัน นะแต่ไม่ต้องไปอินา น, น, านะ น, อนานิลาบางทีนะการบรรลถึงสิ่งมีชีวิตอันนี้ของใช้ก็ไปซื้อใหม่นะแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตก็แน่นอนนะครับว่าเราก็อาจจะมีความผูกพันแต่ของใช้บางคนก็เสียใจนะเวลามันเสือมันเสียไปอ่าดิสกี้ก็เหมือนกันก็หมดไปตามอายุไขออกซิเจนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมกีบอกอ้าวต่อมาซุมมาอันตุมตำตาตรูนแต่แล้วพวก พวกเจ้าก็ยังสงสัยกันอยู่เอมันจริงไหมเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันจริงไหมอันนี้สาหรับคนที่หัวใจมีโรคนะปฏิเสธดื้ออัลลอฮ์เขาก็จะตั้งคําถามไปหมดแหละแล้วก็คิดว่าโลกนี้ยมันเกิดขึ้นมาเองไม่โดยที่ไม่มีผู้สร้างนะเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกเลยนะหัวลอพระเจ้าเนี่ยชื่ออะไรที่บอกพระองค์พระองค์เนี่ยยังไม่ได้เอย่ยชื่อเลยนะหัวลอพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ไง อัลลอฮ์เป็นนามของพระเจ้าเป็นชื่อของพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์ชื่ออัลลอฮ์ทั้งในฟิสซามาวาติวฟิลอาดทั้งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอ่ายะและมูซิรรกุมวาจารอกุมและทรงรู้สิ่งที่พระเจ้าปกปิดและก็เปิดเผยสิ่งที่ปกปิดและก็เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจด้วยนะ อสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ปิดบงังอัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดและทรงรู้วญยร่และมูมาตักสีบูรและทรงรู้ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังขวนขวายอยู่ก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอยู่นั่นแหละเอาจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่รู้กี่มืคืนทำอะไรบ้างแันไม่รู้หรอกอกีไม่ต้องบอกฉันฉันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงแต่ละคนเนี่ย จะมารู้มไหมล่ะยีทําอะไรอยู่ฉันทําอะไรอยู่แต่และคนกลางคืนเขาเ ข, าเข้าบ้านแล้วก็ไม่รู้เราทําอะไรบ้างแต่เรารู้หมดเลยมนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกเราเห็นแค่ภายนอกเท่านั้นแหละเนี่ยโอ้มาเรียนกุฎานอุ้ยดีจังเลยอะ่ะแต่หลังจากเรียนกุฎานไปแล้วเนี่ยไม่รู้แหละไปโผพตรงไหนบ้างไปทําอะไรบ้างนะใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยมักจะตัดสินเฉพาะตอนที่ที่เห็นโอ้ยอาจารย์เนี่ยดีจังเลยอยู่บนเวทีก็ใช่ดตอยู่เวทีจะไปทําอะไรไม่ดีล่ะเอแต่หลังเวทีเนี่ยไม่รู้ทําอะไรบ้าง ใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนมีนะต้อคุยอย่งสูบุรีอยู่ไอ้ตอนขึ้นเวทีก็แน่นอนแหละโ้โหแจ๋วอะไรลงหลังเวทีไปควันขโมงเลยสูบุรีก็มีแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่สูบบนขบวนล่ะถ้าสูบขบวนนี่ยุ่งนะไม่มีใครอยากจะฟังแล้วโหอะไรเนี่ยก็อย่าที่ทําเรียนว่าไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไม่มีใครรู้กันหรอกอดีตเป็นยังไงทําอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไมากลางคืนทําอะไรอยู่กลางวันโชวงที่อยู่ในบ้านแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ ทั้งหมดเลยแสดงว่าคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเดียวเพราะว่าอัลลอฮ์รู้หมดแต่ถ้าเป็นคนดีต่อหน้ามนุษย์จะมีสองมาตรฐานจะดีเฉพาะเห็นมนุษย์เห็นแต่พอรับหลังไปก็อีกเรื่องหนึ่งนี่น่ากลัวนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะดีเฉพาะต่อหน้าเหมือนกันแต่ถ้าเราดีตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่ดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานนะฮุวาตาลาแต่แน่นอนแหละเวลาที่เราอยู่ในที่รับตาบางทีเราก็จะเผยเลย แล้วก็หลงลืมมนุษย์มนุษย์จึงต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็คืออะไรนะอายะห์หนึ่งสองสามที่รวบรวมถึงการสร้างของอัลลอฮ์เอาไว้นะครับแล้วก็บอกเลยนะแจ้งให้พวกเราทราบว่าพระเจ้าที่แท้จริงชื่อว่าอัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาอายะห์ที่สี่ห้าหว่ามาตะ ติมมินอายาิมมินอายาทิรบบิหิมพี่น้องดูนะมันมีสองอันนะอายะกับอายะอายั นะอายาติมกับอายาตีร็อบเห็นไหมหลาหลายคนอาจจะสับสนอ่านได้ไปอ่านมินอายาติมผิดเลยต้องเป็นมินอายาติมมินอายาติมมินอยาตีรอ็อบบีหิมสังเกตนะนิดเดียวเองนะครับ เสียงแค่เพิ่มฮารกะเปลี่ยนเลยและก็คำก็เปลี่ยนความเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเป็นจ้ำนะเป็นพระหูพจน์นะเป็นย้ำกลับเป็นเอกพจน์นะครับอีกรอบหนึ่งว่ามาตติหมิมินอายาติมมินอายาติรบบิหิม อิลลากานู عنها مؤردين عن فَقَدْ كذبوا بالحق لَمْ جَاءَهُمْ ตรงลำนะมีมิมดดาอย่าลืมดวงเสียงนะบิลฮักกคตัวตัวกอฟนะอ่านให้หนานะเนะคบิลฮักกคลัมมาเจอะฮุมอ่านรอบหนึ่งนะฝากกดฝากกดกะザบูบิลฮักกคลัมมาเจอะฮุม ฟ้าเศร้าฟ้าเยี่ยที่หิมแอ ا ك บ้าอุมาِกน ي บ س ْ ت สตْ ز ِ ئ ُอَู ดีมากเลยนะครับฟาซอฟยตีหิมอัมตรงนี้นูนตายนาพบบาเป็นอิกลาฟอ่านปิดปากนะอัมแล้วก็บาอ่านยาวอัมเบอุมาอ่าอุมาเลยนะอุมากาณูรอบหนึง่งฟาซอย ที่หิมะแบกอุมาก์นบีฮิสต์ฮซีอูน ألم يروك م أهلك َ نام ِ قبل ِ ه م من قرن مكنناهم في الأرض. อาลฮัมดุลิลละตรงนี้นะดูมีมตายเนี่ยพบมีมอาลมา ม, มิอเรากรมอะเลกเนมกอบลีหิมมีมตายพบมีมมีนุนตายพบกอบอีกฝามีกอรนิมแมกันมักกันกกนะแมก กันนาฮุมฟิลอารุมเห็นไหมใช่มีอยู่ห้าหักลมกี่นับให้เร็วมีกอบลีอิมมีมีกอนิมักกันอย่าลืมหนวงตรงกันด้วยนะมักกันนาฮุมอ่าเพราะหนูมีชัดดานะครับนูมีชัดดามีมีชัดดาหนุนเสียงนะ อาลัมยาโรคม์อะฮ์ลักน่ามิ่งกบลิห์มมิ่งคอรนิมมกกะนุ่มฟบ อาุนะมีตัวดอทอยู่ข้างหลังอาลุอัดลมเข้าไปมิดรอรอนะม่านุมกิลลัคุมวะอัลสลนะสมาอัลเลหิมมิดรอรอ ตรงมานะอย่าลืมหลวงเสียงนะว่ามัดวาจิบนะครับสาอาลัยฮิมมิดรอรออะไรน่ะอ่าฮัมซาอ่าอ่าอ่าอ่าอ่อ่ลัยฮิมเนระวังนิดนึงมาลัมนูมัก กิลล์คَมวَาอัลสล์น์ส์มาะอัลัยมิดรอรอ وَجَعَلْنَاهَا رَتَجِيمٍّ تَحْتِهِمْ فَأَلَكْ نَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ มิมตายพบบาด้วยนะครับมิมตายพบบานะมิมตายพบมีมิมตายพบบาฟาเลกนาฮุมบิซูนูบิฮิมอ่าแล้วก็ตรงวจาลนัลอันฮานัลอันฮา น, น, านะตัวรามตัวนูนนะลามกระดกลิ้นเลยห้ามห้ามไม่กระดกถ้ามไม่กระดกจะกลายเป็นนูนหมดนะครับต้องกระดกลิ้น وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ و ش أ, ن آ و ش أ ن, آ آ ه, ن, ن ا, ن آ, آ, ه, ا, ي ا م ي م ب ع د ِ ه م คอรน ن آ خ ا ر ي ن อ่าคอรนน์นะคอรนน์ أخار ินเอาอีดออมนึง ว مِنْ าَนْมิบ้างดิห์มกรนันอัคร ن َว่าชนะมิบ้างดิห์มกรนั آ อَ ر ร ي ن, ن َอ่ามาดูความหมายนะครับ อัลลอฮ์กว่าวมาตะตีหิมและไม่มีอายะไดจากมินอายะจากบรรดาว่มาตะตีหิมมินอาอายะติมินอายาติรบีหิมไม่มีอายะใดจากบรรดาอายะแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขามายังพวกเขานะอิลอิลา นอกจากได้ปรากฏว่ามัวอารีดีนแปลว่าอะไรนอกจากได้ปรากฏว่าพวกเขาได้ผิดหลังให้แก่อายะนั้นตอนนี้กำลังจะแปลให้เป็นภาษาไทยก็คือว่าบรรดาคนที่กราบไหว้ต่อจเว็ตเขาก็ดืดดึงนะต่อจะให้มีอายะไหนก็แล้วแต่ในหัวใจเขาก็เป็นไงเขาก็ดือ้อ แล้วอลัลลอฮ์ถามว่าอาลัลลอฮ์ไม่ได้ส่งสัญญาณมาบอกเลยเหรอว่าการมีอยู่ของพระเจ้าโอ้โหมันเยอะไปหมดนั่นแหละมองไปที่ไหนก็นึกถึงพระเจ้าเท่านั้นแหละโอ้อันนี้ก็มนุษย์ทําไม่ได้หรอกอันนี้ก็มนุษย์ไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์หรอกต้องมีผู้สร้างแต่พวกนี้มองเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยเนี่ยมีบางคนเนี่ยมองท้องฟ้าก็บอกอ๋อธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองหมดเลยที่มองไปเจอบ้านหลังละใหญ่ๆตัวหลังไม่พันล้านโอ้โหมันวิจิต วิสิตสลับมาคือสมลาใช่ไหมโอ้โหมันสวยงามจังเลยต้แสดงวิศ ว, วกรนี่ต้องเก่งชมวิศวกรเวลาไปเจอระบบไฮดรอลิกใหญ่ๆ เ, เจอนน่นเจอนี่ชมคนสร้างแต่พอเวลามองชั้นฟ้าธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองดูเห็นภูเขาบอกธรรมชาติดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามีอายะเยอะแยะที่ลงมาแต่พวกนี้ต่อให้กี่อายะกีเ่เครื่องหมายการบ่งชี้ถึงการมีพระเจ้าเขาก็ปฏิเสธ ก็ยังดื้อดึงไปกราบไหวเจเวตอยู่นั่นแหละฟกดกซบูบิลฮักกิลมาจาฮุมอายะที่ห้ลเราบอกว่าแน่นอนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธความจริงก็นี่ไงก็ปฏิเสธความจริงนะเมื่อความจริงนั้นมาปรากฏแก่พวกเขา ฟาาวตีหิมอัมบาอุมะกาูบิฮิยะตฮซิยุแล้วข่าวคราวของสิ่งที่พวกเขาเคยเยยออยันไว้นั้นก็มายังพวกเขางงไหมคำว่าข่าวตรงนี้ก็คือเรื่องราวที่นบีมุฮัมมัดได้นำมาเล่าโดยผ่านองค์การจากอัลลอ์เพราะไม่ใช่นบีมุฮัมมัดคนแรกที่ถูกเยยออยันว่าเป็นคนบ้ามังเล ว่าเป็นคนเล่นของมั่งนะเป็นนักศรษฐศาสตร์เป็นนักเวทมนต์ถูกเยอะหยันสารพัดสารเพีหมดเลยแม้กระทั่งบูลลี่แม้กระทั่งเป็นเด็กกำพ้าก็ถูกถูกตําหนิว่าเป็นเด็กกาพ้ายากจนมุฮัมมัดนะหรอจะมาเป็นศาสนาทูต ด, ดูสภาพซะก่อนนี่พวกเราในหมู่พวกเรามีคนที่มีเกียรติมากกว่ามุฮัมมัดตั้งเยอะแยะถูกอ่านหนังสือก็ไม่ได้เอออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นถุกถูกเยอยหมดเลย แต่ไม่ใช่นบีมอมัดคนแรกที่ถูกนาบีก่อนหน้านี้คนแรกเลยที่โดนเย้ยเลยกับนาบีนัวถูกเย้ยนะแล้วก็นาบีต่อๆก็ถูกเย้ยมาหมดเลยนบีอัลลอฮ์ก็จะนํามาเล่าให้ฟังและผู้ที่เย้ยหยันนบีเนี่ยสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเขาเป็นยังไงนะอัลลอฮ์เล่าต่อว่าอาลามิยาเรากมอัลเ ล, าา ก, ลกนามินกอบลิฮิมมินกอรนินมักกันนาฮุมฟิลอา เล็กเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่ากี่ประชาชาติมาแลว้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาอ่าร์ตสมูทเนี่ยเมื่อเช้าผมขับรถมาผมก็บอกกับลูกลูกลูกรู้มไหมว่าอัลลอฮ์เคยสร้างมนุษย์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยักกนแเละก็พวกอาร์ต่ยอาหรับโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วถ้าทุกวันนี้มันยังอยู่แล้วก็ ไม่รู้จะไปเจอไปยู ไ, ไงสุเกะเสาไฟ้าเนะเออกี่ฟุตกี่ฟุตก็ไม่รู้เนะ่ยตัวใหญ่มากอ้าวตัวใหญ่มากเป็นเป็นอาหรับโบราณนะครับเป็นยักษ์นั่นแหละพูดนีไ้ไงเหมือนยักษ์เลยตัวใหญ่กําลังเยอะแหละสมุดก็เอาบ้านมาทำํำภูเขาแต่พวกนี้สูญพันธุ์หมดแล้วเอาภูเ ข, ขามาทําบ้านไม่ใช่บ้านมาทำํำภูเขางงเลยแม่กี่กี่สับสนและฉันเนี่ยสับสนเอาภูเ ข, ขามาทําบ้าน อา่าเพทาที่เขาไปกันเลยนะที่จอเดนอ่าไปแล้วก็เล่าประวัตินะพวกนี้มันตรรยศเอาลอยอลังไงนะครับอ่ะกี่ประชาชาติมาแลวที่เราได้ทำลายมาก่อนหนะ้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจอำนาจเนี่ยไม่จะมาจากตัวเราด้วยนะให้เรารู้ไว้นะอลัลลอฮ์ให้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าอำนาจไม่จะมาจากตัวเราเนะี่ยเราจะรู้สึกแบบ เราเนี่ตัวเล็กเราจะไม่เง่งไม่อวดใหญ่อวดโตท้าวันนี้เราคิดว่าเรามีอํานาจพอหมดอํานาจเท่านั้นแหละโอ้โหรู้เลยแสดงว่าอํานาจเนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานให้ให้มีกําลังวังชาให้มีอํานาจมีบารมีนิดเดียวและความสามารถในแผ่นดินนะคนเหล่านี้มีความสามารถในแผ่นดินมีกําลังวังชาสามารถเอาภูเขามาทําเป็นบ้านได้ ซึ่งเครื่องมือในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันต้องกำลังล้วนๆพี่น้องมัน ม, ไมีไม่มีเครื่องจักรัดสมัยนี้สมัยนี้ไม่แปลกถ้าจะเอาภูเขามาทำเป็นบ้านเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องตัดเครื่องระเบิดมีโอ้โหเยอะแยะหมดแต่สมัยก่อนไม่มีกำลังล้วนๆเลยซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้นะซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้มีให้พวกเจ้านะแลวก็บอกต่อว่า หมายถึงคนในยุคสมัยเนี้ยไม่ได้อย่างคนสมัยก่อนหรอกยุคสมัยนบีทรงลมุขะมตัตเราเนี่ยตัวใหญ่กว่าสมัยก่อนไหมไม่ได้กําลังล่ะโอ้ต้องมีเครื่องทุนแรงหมดอะทุกวันเนี้ยจะทําอะไรก็ต้องมีเครื่องทุนแดงแต่คนสมัยก่อนนี่เขากําลังเขายกหินก้อนอใหญ่ๆได้แต่ในยุคนี้อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เราถึงขั้นเหมือนคนรุ่นก่อนแต่เป็นไงคนรุ่นก่อนที่มันมีกําลังเยอะกว่ามีความสามารถมากกว่าอัลลอฮ์ก็ทําลายมาแล้วและเราเนี่ยจะไปสู้อะไรจะไปสู้อะไรได้เห็นไหม และเราก็ได้ส่งฝนมายัางพวกเขาอย่างมากมายเอาเราให้ความเมตตานะส่งฝนมาเราให้มีแม่น้ําหลากหลายสายอันนี้แม่น้ำจริงๆไม่ใช่ในสวรรค์นะหมายถึงแม่น้ําในดุนยาเนี่ยมีแม่น้ําไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาเพราะแม่น้ํา้องอยู่ต่ําอยูย่แล้วเราก็สูบน้ําขึ้นมาทําการเกษตรนะครับน้ํามันอยู่สูงไม่ได้มันอยู่ต่ำนะน้ำมันไหลลงที่ที่สูงลงมาที่ต่ํา และพื้นที่ที่มีน้ําเยอะก็คือเป็นเป็นพื้นที่ต่ําพื้นที่บนภูเขาเนี่ยไม่มีค่อยมีน้ํามันจะแห้งมันจะแรงนะการนี้ก็สูบน้ําขึ้นมามาทําการเกษตรผันน้ํานะครับแล้วเราก็ได้ทําลายพวกเขาอ่าเนื่องด้วยความผิดบิซ no ูนูบีฮิมด้วยกความผิดของพวกเขาและเราก็ได้ให้มี ว่าอัญชะนามินบ้าดีฮิมกอรนน์นอาคอรีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มีประชาชาติอื่นขึ้นมาอีกอาร์ตเนี่ยมาสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันก็ยังมีอาหรับเผ่าอื่นอีกทดแทนมานะไม่จะไม่ได้ไห ม, มเอาไม่เหมือนกันแล้วหมดแล้วไอ้ที่ได้แบบนั้นนะ่ยหมดแล้วอัลลอฮ์ทำลายหมดแล้วแต่ก็จะมีอาหรับที่เป็นเผ่าพันธุ์อื่นหลงเหลืออยู่อาหรับก็จะมีสอ ง, สองแบบนะแบบโบราณก็คือถูกทําลายหมดแล้วกับอาหรับปัจจุบันนี้ ก็มีกําลังเพียงเท่านี้แหละตัวเล็กไม่ได้ใหญ่มากเหมือนตัวพวกอาร์ตกำลังก็ไม่ได้เหมือนพวกสมูทแต่ยังดือ้อกับอัลลอฮ์อีกในสมัยนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์จึงาถามให้ดูใช่ว่าไอ้คนก่อนนะ้นเนี่ยที่มันแจวกับเจ้าเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ทำลายมาแล้วแล้วพวกเจ้าจะจะเหลือไหมแต่นิดนึงนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายทําไมอลัลลอฮ์ไม่จัดการคนที่ดื้อเลยเหมือนพวกอาร์พวกสมูทเพราะนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้เฉพาะนาบีมุฮัมมัด อัลลอฮ์ให้เฉพาะนาบีมูฮัมหมัดหนึ่งในในเรื่องก็ในเรื่องนั้นก็คือการที่อัลลอฮ์จะไม่จัดการประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดแบบถอนรากถอนโคนป่วิงเวลาไว้จนกระทั่งถึงวันเกิยในในในกร์มาคือถ้านาบีไม่ได้ขอดออบทีนี้เอาไว้นะผมว่านะไอ้เส้นที่มันขายตัวกันเส้นที่กินเหล้าเมายาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลิกาเอาปีกซ้อนหมดแล้วไอ้พวกถนนเกยต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วแต่นี่นบีขอดออไว้ว่า ขอนะีประชาชาิของฉันนบีรักประชาชาิมากก็เลยขอดูอาไว้เอาล็อจ๋าอย่าทําลายประชาชาิของฉันแบบเหมือนอาร์ตแบบสมุดนะให้อยู่เอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเห็นไอ้ความชั่วเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ก็ไม่แน่หรอกครับไอที่เห็นชั่วๆหลายๆคนบางครั้งบั้นปก็กลับมาทําความดีก็มีมีพี่น้องเราคนนึงผมเห็นทรงเราแล้วโอ้โหทรงนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็คุมฮิยาบอ่านกุฎอ่านแค่จะอ่านกุฎอ่านทุกเช้าเลย ฉันก็เคยมาอัพฉันก็ถามถามถามโต๊ะคนเนี้ไปนะโต๊ะโต๊ะมกกรณ์เป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้อาจารย์อยาให้ฉันเล่าเลยมกกรณ์ฉันอยู่พัทยาไปต้องถามว่าทํางานอะไรนะนั่นแหละวันหนึ่งที่มันสุดแล้วแล้วมันไม่รู้ทางจะไปแล้วฉันฟังคนคนหนึ่งที่เขาหนาซีฮัทแล้วฉันก็ใจฉันก็เสียฉันก็เลยกลับมาพอกลับมาก็หันมาตบัตรตัวแล้วก็เลิกหมดเลย อแต่คนเราเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยมันจะมีทรงอยู่ไงทรงสัมผัสเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เหมือนคนปกตินะก็เลยลองถามเขาบอกว่าออ๋ออาจารย์เมื่อก่อนฉันพัทยาเลยหาโตในพัทยาคือพออเล็กเกนมาเล็กปุ๊บก็บไปาำงานที่พัทยาทำเลยอบจยมุกทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นฉันเกี่ยวหมดเลยแต่วันนี้ฉันทิ้งหมดแล้ว<อ>คําถามว่าถ้าเราจัดการเลยเนี่ยโตะจะเหลือไหมไม่เหลือหรอกไม่ได้มานั่งงานกูดาทุกวันนี้หรอกดังนั้น นี่แหละคือผลที่นบีขอดูอายกับพวกเราทั้งหลายให้ปราวิงเวลาไว้สุดท้ายแต่มันก็มีบางคนที่ยังสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เอามันก็มีนะนั้นก็อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอลอ้นะคนที่ชั่วที่สุดก็ยังสามารถกับเนื้อกับตัวแล้วก็ทําความดีได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องที่อลลอได้เล่าให้พวกเราฟังนะอา้าอ่นต่อนะอายะที่เจ็ดนะ ว لا نزلنا، وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ฟ้ละมาซู่หูบีไอดีหิมนะฟ้ละมาสู่หูบีไอดีหิมถ้าข้างข้างข้างหน้ายาวข้างหลังจะสั้นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวไอฮาเนี่ยฮาสล่าเนี่ยลาหูเห็นไหมลาหูสู่หูเห็นไหมข้างหน้ามันยาวไงมันสู ข้างหลังก็เลยเป็นหูไม่หูแล้วถ้าข้างหน้ามันสั้นข้างหลังก็ยาวนี่สูตรของมันโดยการอ่านนะว่าเราเน้นัลน้าอลัยกะกิตาบ่ฟิกตต่อสิ่งเฝามาสู่หูบีไอดีฮิม ال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ รอบนึงนะละกอลและแล้วดีนะกาฟารูอินฮาดะอิลลِซิรุมมูบ ว ل าก็ว่าลูเล ل ลาอุซิล ل ่นเลยฮิมา م ลกอ่ามาเลกแล้วก็มีตัวกราฟข้างหลังนะมาเลกมาเลกนะอีกรอบนึง وَقَالُوا ل َ و ْ ل َ ا أ ُ ن ز ِ ل َ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أ َ ن زلنا ملكا لقودي ُ الأمر ُ ثم لا يضر ตรงนี้นะมาละกัลลากูดียัลเห็นนะอ่านต่อไปเลยเนาะต้องตาต้องไหวนิดนึงวะลาอัลจัลนามะเลกัลลากูดียัลอัมรูอีรอบหนึ่งนะ و َ ل َ و ْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُد ِ ي َ ا ل ْ أ َ م ْ رُثُمَ مَا لَا يُؤْذَرُ و َ ل จ و ْ ج น ع َ ل ْ ن َ ا ه ُ م َ ل َ ك ฮูมาแล้วจะเรานะฮูเราจุา ว لاجعلناهما لكلاجعلناه رجلا ا ل ل ج ألا بسنا ر ج ل ل ج ع ل ن ا ه رجلا อ่ามันจะติดๆกันนิดนึงนะครับว ا ลบ س นาใช่ว ا ลนา واللبسنا عليهم ما يلبسون ลามสองตัวอ่ามีลามสองตัวนะอ่าวลับสนา ع ل ي ม م ย ا يلبسون ก็บล <of> ิกนะนะได้ไหมอิงก็บริว่ละกอดิสวะละกอดิสทูซีอาบิรุสุลิมมิกับลิก ว่าแล้ س ก็ได้สัตว์ที่แอบรสลิมมีคบลิก فحاق بال َّ ذ ي ن سخروا منهم ما كانوا به ي س ت ز و ن คหนึ่ฟาานะฟาฮกอบิลที่เนซฮิรูมินฮุมมะกาِนบิฮิอัสตِ ئ ُอَู ก ل ْสِร ر ُ و الأرض ก ل ْ س ِ ي ر ُ و الأرض กุลสิรูใน الأرض ดิสมัَจูรูคีฟะแค่น่าก ل คิบะตุลมุคดิบิ มันรู้ไงฟะการน่ากิบตุลมุคดีบินอะมาดูความหมายกันนะครับอายะที่เจ็ดอัลลอฮ์บอกว่าว่าเราตรงนี้แปลว่าการบอกว่าหากว่าแม้นว่าว่าเราและหากว่าอัลลอฮ์ น, นัซนาอะไรกัลกิตาบ หากว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานให้แก่เจ้าก็หมายถึงคนที่เป็นพวกเราคนในยุคสมัยนันะ่นนะบรรดาทางพวกกูเรชเนี่ยซึ่งคัมภีร์ฉบับหนึ่งและก็ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ก็เขียนเอาไว้หมดแล้วนะผิดคมภีร์ก็ต้องมีลายมี ม, มีอักษรเขียนเนาะเออซึ่งโดยปกติเนี่ยวะฮีที่อัลลอฮ์ให้กับ น, นบีมูฮัมมัดนี่คืออะไรนบีอ่านออกมา นบีจะบอกนี่กุฎานนะนี่บอฮีนะพอบอกเป็นกุอานปับ๊บนบีก็จะเรียกซาบะที่อยู่รอบๆเนี่ยมาท่องแล้วก็จดบันทึกนบีจดบันทึกเองไม่ได้เพราะนาบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนที่อยู่รอบข้างหนึ่งในนั้นคือท่านมูอาวิยะเป็นบุคคลที่คอยคาเดกาติดเป็นคนที่คอยจดบันทึกกุฎานแล้วเวลา จทนี่เขาจะจดด้วยนะว่าอายาที่เท่าไรสุระ อ, อะไรเพราะเวลาลงมาเนี่ยมันไม่ได้ลงมาเป็นเล่มแบบนี้มันลงสลับไปสลับมาเดี๋ยวนั่นมาอายาหนี้อยู่นี่อันนี้มาตรงนี้ขึ้นเพราะว่ากุอานี่ลงมาตามอะไรตามวาระและเหตุการณ์เดี๋ยวบอกไหคือต้องมีสถานการณ์และกุรฎานก็จะลงมาเ้าเรียกว่าอัสบาบุ์หนูสูดสาเหตุมูลเหตุของการประทานอันกุฎานและข้อแตกต่างระหว่างฮะดีสกับกุอานคือหะดีสจะไม่มีการจดบันทึก ในสมัยท่านนาบีเป็นคําพูดนบีต้องจําอย่างเดียวอบูราก็จะจําอย่างเดียวแต่ถ้าจดเมื่อใดต้องเป็นกุรา่าอ่านขดกตันดวินมันเลยไม่งงไนงะถ้าจดกันทั้งหมดนะเดี๋ยวตีกันแนะ่เดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวนี่ฮะดีสนี่กุร่อานผมนึกบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาละเอียดอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาวาฮีไม่ให้เกิดความสับสนจนกระทั่งมีการรวบรวมกุราอ่านในสมัยท่านอบูบัก พอกูอานครบแล้วก็รวมแล้วเป็นเล่มละแล้วก็ทําแล้วก็จัดเป็นเล่มแบบเขียนเลยนะเขียนเป็นเล่มเลยยังไม่เป็นเล่มเอามารวมเฉยแผ่นตรงนู้นแผ่นตรงนี้สมัยอบดุลบาตอนเขียนเป็นเล่มเนี่ยสมัยท่านอุษมานนุ่ น, น, นพึ่งเป็นเล่ม30สิบยุทธที่เราอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยเรียงอะไรเนี่ยตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งถึงอนานาันนัสมีสมัยท่านอุษมานหลังจากมีกูอ่านเป็นเล่มแล้วเนี่ยถึงมีการบันทึกหะดีษ รอวะฮุเห็นไหมรอวาฮุนบุคอลดีครับว่ารอวะฮุนคือคนที่บันทึกมายุคหลังแล้วทํำไมบุคอลดีไม่มาอยู่สมัยนบีล่ะถ้าอยู่สมัยนบีจดไม่ได้นะ่ะไม่จดมาจดยุคหลังแต่ยุคหลังก็ไม่เกินสามร้อปีก็มาตามหาฮะดิษตามล่าฮะดิษกันแล้วก็มาจดบันทึกเพราะตอนนี้กุรอานครบเลี้ยอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนมีคนถามมาแล้วคุณจะรู้นะไหนเป็นกุรรันฮะดิษอ๋อชัดเจนจ่ะถ้าเป็นกุรอานนบีจะให้จดถ้าเป็นฮะดิษจําอย่างเดียวนะ่ะคราวนี้ บอกต่อว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยประทานประทานคัมภีร์ลงมาแล้วก็ในคัมภีร์เนี่ยมีมีเขียนอย่างมีเขียนแล้วนะอยู่ในกระดาษเป็นคัมภีร์อยู่ในกระดาษเลยและพวกเขาก็ได้สัมผัสคัมภีร์นั้นด้วยมือของเขาเองโอ้โหลงมาเป็นเล่มแลยอลัลลอฮ์ให้มาริกะเอาลงมาเลยนะแล้วก็มาจับมาเปิดดูนะ เขาก็จะบอกคนที่ปฏิเสธศาก็จะไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าอันเนี้คือมายากลคืออะไรคือมายากลอย่างหนึ่งอาจจะเป็นภาพลวงตาเห็นไหมทําเป็นจริงอาจจะมีสลิงลอยอยู่หรืออะไรกันแล้วแต่ะเนี่ยทํามันลงมาเสรษปลาเปิดมาเขียนไว้อุ้ยแล้วใครคนจดแล้วเนี่ยมาได้ยังไงคนที่มันไม่เชื่อต่อให้ทําอย่างงี้ก็ไม่เชื่อดังนั้นอัลลอฮฺไม่ไใช้วิธีนี้กุฎานไม่ได้ลงมาแบบ ให้มริกานำลงมาโดยที่เป็นเล่มแต่กุรอาน ล, ลงมาที่ท่านนาบีและนบีก็อ่านมันออกมาเห็นยังอ่านทีละอายะและอ่านไม่พอก็ยังมีให้ท่องจําแล้วก็มีการอธิบายด้วยระบีก็จะสอนจะบอกต่อว่าอาวอายะนี้นะหมายถึงเรื่องอะไรซอฟบัสบก็ถามนาบีได้ถ้าลงมาเป็นเล่มแต่ถ า, ถามใครถามก่อนซุนมาเป็นเล่มเลยอ่านอ้าวไม่เข้าใจถามใครเนี่ยมริก า, าขึ้นไปแล้ว แต่พอกุรอานออกจากปากนาบีเมื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามท่านนาบีเลยนบีก็อธิบายต่อเป็นฮะดิษที่มาอธิบายอะไรมาอธิบายกุรอานเห็นยังนี่คือวิธีการที่อัลลอฮ์ประทานให้อย่างมีฮิกไหมถามว่าอย่างที่พวกแกบอกเนี่ยว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กุรอานลงมาเป็นเล่มเลยไม่ต้องผ่านใครเลยอเมริกาเอาลงมาตุ้มเสร็จเราจับปุ๊บเราอ่านเลยเอลัลลอฮ์ทำได้ อลัลลลเลยบอกพระ อ, องค์ทำได้แต่ต่อให้ทำแกก็ไม่เชื่ออยู่ดีแหละแกก็บอกามายากลและถามว่าใครจะมาอธิบายกุราจีกายยุงไหมไม่มีนบีเห็นไมเอาต่อม า, อ, าอัอาลลอฮ์ตอบในอายะที่แปดวอลโลูเลาลาอุนซีล่ะไหมแหละและพวกเขาก็ได้กล่าวว่าชะไหนเล่าชะไหนเล่าอะไรอุนซีดาเลยฮิมะลลัก ทำไมฉะไหนเล่าเนี่ยจึงไม่ได้นําไม่ถูกลงมาแก่พวกเขาก็คือมาลักเนี่ยจึงไม่ได้นําลงมาแก่เขาก็คือบอกเหมือนกับอายะที่ทหนึ่งเี่ยแหละเออยะที่แล้วเนี่แหละบอกว่าทําไมมาริกาเนี่ยไม่ลงมาให้เลยไม่ต้องผ่านท่านนบาบีตรงเนี้ยพวกมุชติกินกําลังตั้งแง่กับใครท่านอบีมุฮัมมัดสุลลาะฮวอะเลิมซัลลัมคือเขาเป็นคนที่ดื้อไม่ยอมเชื่อว่นานบีเป็นไรเป็นรอซูลเขาก็เลยตัดตัวท่านอบบีออกเลยบอกไม่ต้องผ่านนาบี เราจะศรัท ธ, ธาแน่นอนเลยถ้ามาริกาเนี่ยเอาวะฮีมาให้ฉันโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านนบีเขาพูดแบบนี้นะอ่าคราวนี้เนี่ยในมุมหนึง่งอธิบายต่อเขาบอกอย่างนี้ว่ามาริการเนี่ยถูกสร้างจากรัสมีนูรยินถูกสร้างมาจากไฟเป็นาธาตุนะาธาตุไฟธาตุรัสมีรัสมีก็แสงสว่างโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เห็นได้ยินเนี่ยเราก็มองไม่เห็นมาลิก้ามองเห็นไหมไม่เห็นแล้วถ้าเกิดมาลิก้ามาสอนแล้วเราจะมองกันยังไงอะอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นคราวนี้ถ้าจะอาลอตจะให้มาลิก้าจำแรงล่างมาต้องมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอีกแล้วถ้าเป็นผู้ชายมาลิก้ามีเพศไหมไม่มีแกก็สับสนตกลงมาลิก้าเป็นผู้หญิงผู้ชายงงไหม คือมันจะเกิดข้อสงสัยซับซ้อนจะไปเยอะไปหมดเลยในการที่จะให้มาริการ์มาสอนสมมติมาริการ์มาเป็นรัศมีมองไม่เห็นอยู่ดีมีแต่เสียงเดี็กก็วิ่งกันเองไม่รู้อันไหนมาริการ์อัยินอันที่สองถ้ามาให้เห็นก็ต้องจำแรงกล้างลงมาก็เป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายแล้วมันต่างอะไระก็เป็นคนเนี่ยเป็นผู้ชายอีกเพราะมาริการ์เวลาที่ปรากฏให้เห็นจะเป็น เป็นผู้ชายอยู่แล้วเหมือนกับฮะดิษของยิบารีนที่มาหานาบีนั่งเขา่าชนเขาแล้วก็จับก็เป็นผู้ชายมาเละกาที่อัลลอฮ์ส่งมารบในสงครามบาดัดผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงลงมาเป็นนักรบผู้ชายเลยขีม่ม้านะดังนั้นไอ้ที่แกพยายามตั้งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ให้แบบนั้นจริงจแกก็สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะคนมันเป็นโรคคนมันไม่เอานะ เหมือนก็หาวิธีการสุดท้ายไม่ต้องอะไรมากเลยที่มีปัญหากับจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกับอัลลอฮ์ด้วยไม่ได้มีอะไรแต่มีปัญหากับใครท่านนบีนะเขาเชื่อในอัลลอฮ์นะแต่มีปัญหาว่านบีเนี่ยเป็นรอดซูลไหมเพราะว่าพวกมุชีกีเนี่ยเขาเขาเชื่อในอัลลอฮ์แต่พอเวลาอิบาดาเนี่ยเขาผ่านผ่านจเจวิดไอตอนอบูซุบยานกับท่านอุมัตะกลตะกลด่ากันตอนเขาเรียกตะกล์ไหมตะกกล โตกันกันตัวดีก็ตะโกนโต้กันในสงครามอูฮุนเนี่ยวะลาทั้งนั้นแหละวะลอฮีวะลอฮีฝ ah ั่งนี้ก็วะลลาฝั่งนู้นก็วะลาแต่อีกคนหนึ่งเป็นไงอีกคนนึงเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ตอนสาบานวะลอฮี ah hi, เหมือนกันทั้งคู่เลยมันต่างกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องของการอิบาดะที่ไปผ่านสื่อเป็นเจเวิตอ่าส่วนอิสลามเราศา ส, สนาที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นศาสนาที่เราสามารถอิบาดะโดยตรงกับล้อได้เลย นะไม่มีผ่านสื่อผ่านและทั้งนั้นแหละเราอิบาดเราจึงไม่มีไม่มีสื่อระหว่างกลางที่เป็นคนตายก็ดีเป็นวิญญาณเป็นรูปปั้นเป็นเจเวิตไม่มีเลยของเราถึงอัลลอฮ์เลยนะครับอา้าวอันนี้คือตัวซีที่เขาอธิบายไว้นะอบอกต่อว่าและหากว่าเราได้ให้มาลักลงมาแลว้วอันนี้กูอานบอกนะอ่านต่อนะ ว่าเราเอลเซมาลยกันและกูเดียลอัมรุสุมมาเลยอยู่ดอรูนและหากว่าเราเนี่ยให้มาเลย์กาลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็ไม่ถูกรอคอยแปลว่าอะไรขออ่านขออ่านดูรับซีเปรมหนึ่งเนี่ย แปลว่าถ้าหากมาเลก้าได้ถูกให้ลงมาตามที่พวกเขาคิดกันแน่นอนการลงโทษจากอัลลอ์ก็จะจะมาถึงเลยคือการที่อัลลอ์ให้นบีลงมาเนี่ยเป็นการรอคอยเพราะคนเราเนี่ยมันต้องใช้การพินิษ์พิจารณาใช่ปะเชื่อไม่เชื่อเหมือนก็เวลาคนคนหนึ่งที่เขาหาอิสลามเนี่ยขอโทษนะบางคนนสองปีนะสองปีนะกว่าจะกว่าจะรับอิสลามเนี่ย ตามหาค้นหาใช้กระบวนการพิสูจน์ต่างๆจนกระทั่งหัวใจเขาเนี่ยมันยอมเลยสองปีบางคนเป็นสิบปีอ่าศึกษาแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้มาริกาลงมาเนี่ยมีเหตุอะไรแก ต, ต้องมาพิจารณานี่เห็นจ่าๆแบบเนี้ยยังต้องมีพิจารณาเลยเหรออ๋อไม่งั้นทาไม่เชื่อปั๊บก็ฝับเลยการรอคอยไม่มีแล้วพอลงมา ม, มาริกามาบอกเชื่อไม่เชื่อเอาไม่เชื่อ ขอหลุดเลยไปเลยจัดการได้เลยแต่เนี่ยที่เหตุที่เอาลอให้นบีมาเนี่ยเอาลอตปวิงเวลาด้วยให้อ่าบางคนเนี่ยอย่างท่านซอฟวานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฟวานนี่วันที่นบีพิชิตเนี่ยความที่ไม่อยากเจอหน้านาบีเนี่ยเดินทางไปยังเมืองชามนี้หลบหน้านาบีแล้วก็เวลาสั่งคนให้ไปตามะนะบอกว่า ไปตามเขาได้กลับมาได้นะนบีให้อภัยเพราะว่าเคยทําไม่ดีกับนบีจ้างคนไปฆ่านบีด้วยพอถึงเวลาเขาบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยแต่พอเวลาเขารับอิสลามเขาบอกเขาเสียเวลามากเลยในการที่ไม่รู้รออะไรอยู่ที่จะรับอิสลามเพราะรู้แล้วว่าที่รับอิสลามเนี่ยหัวใจมันสงบมันมีความสุขที่สุดเลยแต่ตอนที่มันโกระวนการพิสูจน์เนี่ยมันยังไม่ตกผลึกไงมันก็เลยยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่นิ่ง อ่ายังไม่นิ่งนะครับคนที่รับอิสลามแบบเนี้ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาแล้วมั่นคงคือมันซึมเข้าเรื่อยๆแต่คนที่มันเข้ามาแบบแบบพวดเดียวนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่นานเท่าไหร่น่ากลัวนะคือผมถึงบอกว่าอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนเหมือนเราทาบ้านเน่ยพี่น้องทารอบเดียวเลยสวยเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวลอกแต่ทาซ้ําทาเรื่อยๆรองพื้นก่อนขัดแล้วทาซ้ําทาเรื่อยๆอยู่นาน เหมือนกันทำไมาอิสลามเราไม่บังคับออขอโทษที่ไม่บังคับว่าเฮ้ย <c oughs> คุณต้องสามวันต้องรับอิสลามนะผมให้เวลาคุณเนี่ยถ้าไม่รับอิสลามผมตัดคอคุณนะ <c oughs> ไม่มีให้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมั่นใจแน่วแน่แนแนใจค่อยมารับอิสลามซอบาบางคนอย่างที่บอกหนีไปเมืองชามเป็นเดือนๆเป็นปีผีก็มีกว่าจะมารับอิสลามนะครับอา้าวต่อมาเวลาจะอันนาหูมาละกัน จะอนาหูรอจุลาอ่านี่ไงและหากว่าเราได้ให้มารักมาเป็นรอซูนไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะเป็นเป็นมารักแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นผู้ชายนี่ไงก็ต้องให้เป็นผู้ชายอีกและแน่นอนเราก็จะให้สิ่งที่พวกเขาคุมเครือกันอยู่เนี่ยคุมเครือต่อไปอีกก็จะเกิดความคุมเครือสงสัยเออตกลงเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นยังไงแล้วแล้วก็ในมวัวในหมวดของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ย อเมกลักษณะคือไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศไม่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคนนี้จะเอาแบบอย่างจากที่ไหนอ่ะเออถ้าสมมตินบีไม่แต่งงานเนี่ยเราจะเอาแบบอย่างครอบครัวจากจากครอบครัวใครครอบครัวฉันเหรอโอ้ยเดี๋ยวยุ่งไม่ได้ก็ <laughs> ต้องไปเอาครอบครัวนบีก็การที่นบีเป็นมนุษย์นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับโปรเจ้าแล้วเพราะนบีเป็นมนุษย์นบมนุษย์ก็มีการกินการดื่มการ หลับนอนกับภรรยาการสร้างครอบครัวมีลูกปฏิบัติแล้วเราก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบอย่างของท่านนาบีแบบมนุษย์ด้วยกันครบถ้วนหมดเลยนี่คือเนี่ยมาเที่ยวเลาะให้ให้รอซูนเป็นมนุษย์ไม่ให้เป็นมาลักษ์ถามว่าพระองค์จะให้เป็นมาลักษก็ได้ไหมได้แต่พวกอย่างก็จะคุมเครือชีวิตเราก็จะงงไปหมดตกลงเราเราแค่รับเรื่องศาสนาแต่เรื่องในการดําเนินชีวิตเราจเจ้าจากใครอ่ะเพราะมัลิกาไม่ได้มีวิถีชีวิตเหมือนมนุษย์นะและในในฮะดิษในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่า และเหตุที่อัลลอฮ์ให้รอซูลเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะไอทีเดินกันอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยมันคือมนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่มารีกะยันจะให้มารีกะมามาลงมาเป็นรอซูลมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่เกิเรื่องก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่นำวาฮีจะเอาลอสมาสอนนะอ่ะหมดูดินแล้วพี่น้องอ่ะต่อมาเอ่อวะละวะละวะละละบัสนาเลายหิมมายยลบิซูน เราบอกว่าและแน่นอนเราก็ให้คุมคุมเครืออ่านไปแล้วอันที่สิบอันที่สิบนะวะและกอดดิสตูซียบิรุสุลิมินกอบบริกะเราบอกว่าและแน่นอนบรรดาศาสนาทูตก่อนก่อนเจ้านั้นก็ได้ถูกเยอยหยันมาเลวอันนี้เป็นการปลอบใจใครปลอบใจท่านนาบีมูฮัมมัดสลตานฮวานในหัวซันลปลอบใจแล้วนะไม่ต้องอเป็นทุกข์ จริงๆนบีก็เป็นเป็นห่วงหมดเลยนะแต่มนุษย์อะนะมันก็มีความกังวลอยู่แล้วจึงได้ล้อมบรรดาดังนั้นจึงได้ล้อมบรรดาผู้ที่เยอะหยันศาสนาทูตเหล่านั้นไว้ในสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยอะหยันกันตอนนี้แปลว่าอะไรแบบหนึ่งนะ เป็นการปลอบใจนบีจากคนที่กลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อและสัญญาณที่ท่านนาบีนำมาบอกนะครับเอาต่อมาอายะที่สิบเอ็ดกุ้นซีรูฟินอัตเคยได้ยินอายะนี้ัหมอายะนี้เนี่ยพี่น้องจะได้ยินบ่อยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดอายะนี้เนี่ยไว้ไว้ไว้ยกเวลาไปเที่ยว เวลาจะไปเที่ยวไปดูอะไรน้ําตกนาเอังการ่าบางคนจะไปเที่ยวยุโรปบางคนจะไปเที่ยวแคชเมียร์บางคนจะไปเที่ยวบาหลีสมมุตินะกุลซีรูฟินอัดโ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยกุรานเลยโย ก, กุรานเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เดินท่องไปบนหน้าแผ่นดินแต่นิดนึงนะเนียแทดีนะที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ไปดูหน้าแผ่นดินเนี่ยให้ท่องไปแผ่นดินเนะี่ยเพื่อไปดูอุทาหรณ สำหรับคุมชนที่เคยทรยศต่อลอนะหรือไปดูถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างแต่ไม่ใช่ว่ายกอาย่านี้แต่ไปหาหมสุสยัด อ, อ่อ๋อดีจังเลยฉันจะได้ไปดูฝรั่งแก้ผ้าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่่ะไปยกอาย่านี้มาใช้ก็เรื่องผิดไม่ได้นะไปดูมัรครลูกที่อลัลลอฮ์สร้างนะและจงพี่นาดูเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สนุกอย่างเดียว สุมมาสุมันดูรูไ ก, กายฟะการนาคีบทุลลิลอาการบทุนมุกัิบีนจงไปพิจารณาดูว่าบั้นปลายของผู้ที่ปฏิเสธสธานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั้นการที่ออกไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีความผิดนะสามารถทำได้แต่ต้องเนียดให้ดีเนียดไปดูอะไรไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบะฮฺนะฮุวาตาลาในการสรรสร้างของพระองค์ แล้วก็ไปดูถึงอุทาหรณ์ของบุคคลที่เอาล่อได้กลุ่มชนที่เอาล่อได้ทำลายพวกเขาจากความดื้อดึงของพวกเขานั่นเองนะครับกุลิมะมฟิสซมะวาติวัลอะ k ُ l l i l l َ h i kataba ala n a f s i ل i r rahmah k a a b a เอ่อ k u l l َ llahi kataba ala n a f s, <Kat aba>. <S i h r r a h ل ن َจะมาน إ ِมอ ى ي َ و ย م ِ ا ل ม ق ِ ي َ ا م َ ة ِ لَا ر َรْยบ فِيهِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ خ َ س ِ ر ُ و ا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا ي ُ م ِ ن ُ و ن َ وله ما سكن في الليل ونهار، وله ما س ك َ في الليل ونهار، وله ما سكن في الليل ونهار. วะฮุวะสัมิอุลอาลิม One art เ ل อะไหวไห غ คุลอาไกรอัลลอฮิอัตตะฮิดุวะลิยาฟติริส ส ما วติและโลกทุกอย่างที่เาเห็นถูกสงขึ้นโดยสงมีชวิลอ่าดูให้ดีนะอัตคิวัลีอัตคิวัลี ยัฟัติริสะมาไอรอบนี่คุลอาไกรัลลอฮิอัตตะฮิซุอัลียัฟัติริสม ا วะติวัล้อ ว่าเขาจะยุติอัม م ะว่าเขาจะยุติอัม กุลอินนีอุมิรตุอันอากูณะอวัลมะนัศลัมกุลอินนีอุม ن รตุอันอากูุอินนีอมิ ตัวอันก็ณเอาว่าละมันอัลสลามว م ละต ل กูนันน و ม ن น ن ลุ م ริก ي ن กินยาวดี <laughs> มันจะมลมยังเหลือเยอะได้ปล่อยให้หมดเดี๋ยวขึ้นวักใหม่กุล อ, อินนีอาคคฟุอินอาไซตุรบบีอาดาบัยอุมินอัลซี ไม่ยَสรวันหัวไม่ร ل ฟักดะรอฮิมะฮูและลิคัลฟาอุซุลมูบินไม่ยุสรวันหัวไม่รีฟักดะรอฮิมะฮูและลิค ل ِ ك َ นะว่า The legal fauzul m u นะครับอ่ะมาดูนะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลีมันว่ากล่าวว่าไงลีมันมาฟิสมาวัดท่วัดอัดสิ่งที่อยู่มาก็คือสิ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้า และก็แผ่นดินเนี่ยเป็นของใครโอ้อลัลลอฮ์ถามเลยนะอ่าใช่ของฉันไหมใช่ของเราเปล่าเออถ้าเราคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ทำอิบาดาก่อนอัลลอ์แล้วถ้าเราคิดว่าเป็นของอัลลอฮ์้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยไอที่มีบ้านมีรถมีอะไรทุกวันนี้ก็อัลลอ์ให้แต่คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เย่อหยิง พอเวลามีคนมาบอกอล้อดูสีบ้านใหญ่โตจังเลยรู้ไอ๋ออ้นล้อให้ฉันจ่ะจบเลยอลนล้ลอลให้จบเลยฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรทั้งหมดเป็นเนื้มัดเป็นความโปรดปานจากอลนล้อพระเจ้าของฉั น, น, อ, น อ, อ, อ้าวถ้าคนอื่นไม่แน่ <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าบอกอ้นล้อให้นี่จบเลยเห็นไหมห้ามดินละจงกล่าวเทมูมัดว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใคร กุลลินแหละจงกล่าวเถอะมอมัดว่าลินละเป็นของอัลลอฮ์ลินแหละเป็นของอัลลอฮ์แกตาบะและนับซีฮีรู้ไหมเพระองค์ได้กําหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์ความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กําหนดไว้ในคุณนลักษณะของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยมีหะดิษบทึงนะ อ, อยู่ในซอฮีเฮนด้วยนะอิหมัมบุคอรีได้หมา ม, มุสลิมบันทึกเอาไว้ในหนังสือฟัตฮุนบารีมีรายงานจากบุยรอว่าท่านนาบีสุลัลวาลยหุสัลได้กล่าวว่าอินน al ัลลอฮมมาคะกลขลกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมื่อพระองค์ได้บังเกิดมนุษย์แกตบกีตาบันอินูฟาวกอลอร์พระองค์ก็ได้เขียนข้อความบันทึกเอาไว้บน บัลลัง น, นะณที่พระองค์เขียนว่าไงรู้ป่ะวันที่นบีสุยุดในวันเกียมันนบีจะสุยุตสุยุดเลยไม่ไม่เงยเลยพอเงยพอลอมีบัญชาให้เงยขึ้นนบีก็เงยขึ้นไปพอเงยขึ้นไปในในงานก็เห็นเลยว่าอาลัลลอ์เขียนเอาไว้เลยที่บัลลังของพระองค์ว่าอินนารอฮมาตีตากริบูลอดบีความเมตตาของข้านั้นมีมากกว่าความโกรธกิ้วของข้า อลัลลอฮเขียนเอาไว้น ะ, ะต่อนะแล้าจะจะมอนนาอันกุ้มอิลายายมิลกยามะลารอยบาฟีและอลัลลอฮได้กำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะรวบรวมพวกเจ้าไว้ในวันกยามะนะ อลัลลอฮ์จะรวบรวมพวกเจ้าไว้อีและเยามินกียามะลารอยบาฟีโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยวันที่เราตายไปเราจะตกไปรวมตัวกันในทุ่งม้ชัดนะครับในวันกียะมะและในวันนั้นมีน้องครับอัลเลดีนคอซีรูอันฟุซาหุมบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับก็คือการที่พวกเขานั้นไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นเอง วันนั้นคนขาดทุนคนกาไรเนี่ยวัดกันที่อะไรศรัทธาใครที่ศรัทธาต่อเลาะและปฏิบัติความดีก็เป็นคนที่มีกาไรนะครับส่วนคนที่ขาดทุนในวันนั้นก็คือคนที่ไม่ศรัทธาต่อเลาะคนที่ปฏิบัติความชั่ววะละหูมาสะกันาฟิลไลลิวันนาฮารและสิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืน พี่น้องรู้ไหมอะไรสงบเงียบในเวลากลางคืนพวกเราทั้งหลายทั้งหลายก็สงบนะเวลากลางคืนสงบไหมงบนอนนิ่งเลยแล้วมันก็จะมีสัตว์บางประเภทที่เอาลอให้มันพิเศษมันจะหากินตอนกลางคืนกลางวันไม่ออกมานะกลางวันนี่มันอยู่ในโพรงนิ่งพอกลางคืนเท่านั้นแหละมันออกมาแล้วแล้วเอาลอก็ให้ตาของมันพิเศษด้วย มองเห็นมองเห็นเหยื่อในเวลางคืนเอออันนี้แปลกไหมอัลลอฮฺให้พิเศษนะไม่ใช่หมายว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตมาหากินนะอะแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องหาหากินตอนกลางวันนะอย่าไปหากินคืนถ้าไปหากินกลางคืนเนี่ยฟังแล้วดูไม่ดีเข้าใจไหมเป็นคนที่ผู้หญิงอะไรหากินกลางคื น, นดูไม่ค่อยไม่ดูไม่ค่อยปกติไม่ใช่เหมือนมนุษย์ทั่วไป ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปก็จะหากินกันตอนกลางวันยกเว้นยกเว้นขอโทษทีเว้นยามอะไรงนี้นะอีเรื่องหนึง่งยามที่เฝ้ายามเฝ้าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาชีพเขาอ่าแต่ถ้ า, ถ, าถ้าเราเนี่ยปไปไปเปลี่ยนอาชีพไปหากินในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะแปลกแปกนิดนึงแล้วก็เออเขาจะนาฬิกาในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเอาต่อมาและกลางวันก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลย โดยที่พระองค์ทรงได้ยินและก็ทรงรอบรู้แอ่ออัลฮัมดูลิลละห์พี่น้องไม่ใช่ใชกลางคืนอัลลอฮ ก, ก็รู้ <c oughs> นี่บอกว่าสัตว์ทุกตัวในชั้นฟ้ามีสัตว์ที่อยู่ในชั้นฟ้าไหมมีปะมีมนกที่มันบินอยู่เนี่ยนกบางตัวในบินเป็นชั่วโมงชั่วโงนะเวลามันบินพัดถินนะคะมันบินข้ามทวีปนะ ยิ่งกว่าครบินเราอีกมันบินไม่รู้มันบินยังไงนะมันบินข้ามจากทวีปหนึ่งไปทวีปหนึ่งอ่าแล้วก็แผ่นดินสัตว์ทุกตัวในอยู่ชั้นชั้นฟ้าและในแผ่นดินและก็ในหน้าแผ่นดินอยู่ในใต้ดินด้วยและก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ถือว่าไม่มีพระเจ้าอื่ในใดนอกจากพระองค์ทารอเท่านั้นอ่าต่อมาจงกล่าวเถิดเอาอีแล้วกุล อกอยรัลลอฮิอิตตะฮอดูอ่าอ่ขอโทษอัตตะฮิดูวาลียนันฟาติริ ส, สมาวาติวัลอรตจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กัร น, นั้นหรือแล้วเมื่อเราทราบแบบนี้เนี่ยจะให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยไปศรัทธาต่อจเจวิตที่พวกเจ้ากราบไหว้หรอจะไปหา สิ่งคุ้มครองอย่างอื่นเถอะฉันเคย <c oughs> เคยเปรียบเทียบนะ น, นี่ครูแอร์บอกนะเวลาสมัครงานเนี่ยคนที่ไปกราบไหว้บูชาจวีต เ, เหมือนกับคนสมัครงานกันยามซีนอ NO อยู่ข้างบนเป็นผู้จัดการอยู่ข้างบนเวลาไปสมัครงานขอสมัครงานกันยามไอายามก็งงมันสมัครงานกูทําไมเพราะว่ามันเป็นคนที่ขอโทษดิเขาก็เป็นคนที่ไม่มีอํานาจในการที่จะรับทํางาน คนทุกวันเนี่ยที่ไม่ได้ขอกล้องเนี่ยก็เหมือนไปสมัครงานกับรปภข้างล่างมีใครไม่ล่ะฉลาดขนาดไหนไปสมัครงานกับรปภเขาก็ต้องรอปภก็ต้องชี้ขึ้นไปขบนนนุนไปยื่นใบสมัครกับผู้ที่อะไรเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทนุนนั้นเราเนี่ยขอกับเจ้าของบริษัทหมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮ์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งโลกนี้นะฉันจะยึดถือผู้คุมอื่นจากอัลลอฮ์ก็ น, นั้นหรือซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ ฟาติริสแปลว่าอะไรประดิษฐ์สร้างนะนะบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอ่ามีอยู่คำหนึง่งมนุษย์เราเนี่ยที่ประดิษฐ์เนี่ยต้องมีต้องมีมาก่อนถึงจะทําได้นึกออกไหมสมมุติผมจะทําบ้านเนี่ย ม, มันต้องมีวัตถุที่เป็นปูนเป็นหินเป็นเหล็กไม่ไม่ไม่อยู่ดี่บอกทําบ้านดิไม่สั่งปูนไม่สั่งเหล็กให้ฉันฉันทาไม่ได้หรอกไม่มีดินไม่มีอะไรทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ย ประดิษ์จากสร้างจากศูนย์เลยไม่มีเลยท้องฟ้าชั้นฟ้าไม่มีมาก่อนอัลลอฮ์ทำให้มีขึ้นจากที่ไม่มีแต่มนุษย์เราที่ประดิษทุกวันเนี่ยคุณจะประดิษเครื่องบินจะประดิษอะไรก็แต่คุณต้องมีของมาก่อนและค่อยเอามาคิดวางวงจงวงจรมนุษย์กับพระเจ้านี่ประดิษไม่เหมือนกันนะกัลลอฮ์นี่ประดิษฐ์โดยที่ศูนย์เลยไม่มีเลยแต่มนุษย์ต้องมีมีวัตถุในการที่จะเอามาประดิษฐ์นะครับเหมือนเราทําแกงเนะี่ยไม่มีวัตถุเลยบุญดีแกงส้ม แกงไงวะปลาก็ไม่มีกะทิก็ไม่มีนีอันนี้ตัวยกตัวอย่างนะและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารงงไหมอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ไม่ใช่พระองค์ขอกับเรานะพระองค์เนี่ยให้เราเรานี่ยไม่ทําพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ได้ขออาหารจากพวกเรานาีดังนั้นเวลาที่เราเชื่อกุรบันพี่น้องครับอัลลอฮฺไม่ได้เลือดไม่ได้เนื้ออัลลอฮฺได้ จะเห็นถึงได้ความยำเกรงที่เราบริจาค ก, กันทุกวันเนี่ยจงเก่าเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันนั้นถูกกําหนดให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์และพวกเจ้าก็จงอยู่ในหมู่ที่อย่ายอยู่ในหมู่ที่ผู้ที่ตั้งภาคีเป็นอันขาดอ่ะอายะสุดท้ายครับสิบห้าหกก่อนจะจบวันนี้นะพอดีสองนาทีจงเก่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืน องค์อภิบาลของฉันอัลลอฮฺวกบัดจงกล่าวเถอะโมฮัมมัดว่าแท้จริงอันนี้นบีกล่าวกับตัวเองนะเราก็กล่าวกับตัวเองกันได้นะทําไมอ่ะวันนี้เราถึงละหมาด ก, กันครบเราถึงทําความดีเพราะฉันกลัวการลงโทษที่ยิ่งใหญ่หากฉันเป็นคนที่ฝ่าฝืนทําไมคุณไม่ไปกินเหล้าทําไมคุณไม่ไปทําซินา่าทําไมคุณไม่ไปทำไอ้เรื่องที่มันห้ามก็ฉันกลัวนี่ กลัวอะไรกลัวการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยร์มาต่อมาแลผู้ใดอายักที่สบหกนะมันไมยุสอฟผู้ใดที่การลงโทษได้หันหิออกไปจากเขาแน่นอนอัลลอฮเมตตาเขาเล้วคนที่ไม่มีบาปนะอัลลอฮฺเมตตาพี่น้องคนที่ไม่ทำชั่วนะอัลลอฮเมตตาเขาเพราะไอความชั่วมันออกจากตัวเขาหมดเพราะเขาไม่ไปทำ ความชั่วมีสองแบบหนึ่งที่มันจะไม่อยู่ในตัวเราหนึ่งเราไม่ทำมันอันที่สองเมื่อทำแล้วทำไงตาบัตรตัวเราอยากไม่มีชั่วพี่น้องเราต้องหนึ่งเราต้องไม่ทำแต่ถ้าเมื่อเราทำเอาลบเมตาอีกกับเนื้อกับตัวตาบัตรตัวนั่นแหละคือชัยชนะฟาุซุลมูบีนชัยชนะที่ชัดเจนนะชัยชนะที่แน่นอนที่ชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะ ความนี้นะสอบฮาเนาะล่ะขุมมาอุบิฮัมลิกาัสดุอัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลลัต้อัลต้ฟิลูกะวะตุบิไลอัสสลามุอะลัยกุมะราฮฺมุลลอฮฺอฺบารา katu.